เมื่อรู้จักรูปนามนี่ดีแล้วเฮาจะเลิกการไหว้ผีเลิกการไหว้เทวดาให้ว่าเรื่องบาปเรื่องบุญนี่เฮาจีโวสงสัยบาปคือยัง้งบุญคือยั้งเนี่เฮาจีโวสงสัยพเพราะเฮารู้ดีเนี่ยอันนี้เป็นพื้นฐานเบื้องต้นพอดีเป็นอันนี้แล้วรูอันนี้แล้วมันจะเกิดขุมรูอย่างนึงขึ้นมาขุมรูนั้นจะเกิดปีติหรือภูมิใจในขมลูของตัวเอง รู้นั้นรู้นี้รู้ไปโดยไม่มีเฮตุไม่มีผลรู้แล้วก็ลืมรู้แล้วก็ลืมไปมันไม่มีหลักฐาน อ, านนอันนั้นเป็นเรื่องว่าปัญญาของอิปัสสนุปกิเลสิบหกประการตำราค่ะวายอย่างนั้นแต่บุหู่จักในขณะเขาเป็นอยู่เนะขาบุหู่จับว่าเขาเป็นเขาเป็นบ้าเขาจิตหุจักว่าเขาเป็นบ้าบอกต้องคนดีผู้อย่างหุ่นจับว่าเขาเป็นบ้ า, า, า, าเทาเมาเล่าอยู่เขากินเล่าบ้านเขาเอินมาเล่า หาจีบุ้งเขาจว่าเ่าเมาแล้วโม่เพื่อนนะบอว่ายาชูไปกินแล้วมันเมาจนกูบอเมาผอมบั่รอันเ่าเป็นบ้าจีเอาไปโรงพยาบาลกูบอเป็นมันจีเที่ยงกันอันคนเปรนวปัสนากก็คือกันจังหวะให้หู้จักเอาไว้แต่พอดีมันเป็นอันรีบทำจังหวะให้ละลายเดินจนกรมให้มันละลายอย่าตากอย่าเวาอย่าหุ่นหู้จักอันนี้แล้วมันนี่หึ่งไปขูมหู้นัมันจีคอยลดไปลดไป แล้วก็จะเห็นคมคิดเหาหู้จักมันคิดขึ้นมามันจะเข้าไปในความคิดเหาก็พยายามจับรมรู้สึกเหาว่าไม่จับอยากให้มันรู้สึกให้มันรู้สึกอยู่ทุกขณะพิกมือขึ้นก็ให้รู้ขวบมือลงก็ให้รู้ยกมือไปก็ให้รู้เอามือมาก็ให้รู้พลิกแข้งพลิกขาให้รู้ให้เลยไปมันก้มมันเงยก็ให้รู้มันเหลี่ยวท้ายเหลี่ยวขวาก็ให้รู้ เกินน้ำลายก็ให้รู้พิษตา ก, ก็ให้รู้นี่ให้รู้ไปมูดีให้รู้อยู่เรื่อยพอดีมันคิดขึ้นมาก็จะรู้มันคิดออกไปนอกคุนเขากรบมให้มันรู้กับผมรู้สึกเขาพิกเขาปี๊ดอยนี่ทําอันนี้มันรู้เข้ารู้เข้ารู้เข้าคันว่าเป็นอารมณ์ก็เห็นวัตถุกเห็นปร ม, มัตดเห็นอาการเห็นโทสะเห็นโมหะเห็นโลภะเห็นบ่ญไม่ตายเห็นอังสี่งตกใจมันเห็นใจมันฮู้ ดี๋ยวนี้เนี่ยฮะว่าเป็นซื้อโทสะโมหะโลภะนะผู้ใดมีโทสะหนักก็จะเห็นโทสาก่อนผู้ใดเห็นโมหะผู้ใดมีโมหะหนักก็จะเห็นโมหาก่อนผู้ใดมีโลภะหนักก็จะเห็นโลภาก่อนดังนั้นขอบเคยได้ยินหอยตีนพระพุทธเจ้าเมื่ออิตภาพามคนนึงว่าจะเอามาให้ลูกเคยพันวาให้ฟังหนังสือพระกามีโยาหรับ ต, บตาราพันวา พาลูกสาวเจ้าของไปให้ว่าเบื้งผาลูกสาวกัมเรนพาลูกสาวกมักวกเมเรนอีตาคนนั่นในประเทศอินเดียผมกูเป็นพานเหาเนียเป็นคนงามให้ว่าผู้ใดมาขอกระบอยอมให้แต่งงานเพราะลูกสาวเจ้าของงามแล้วก็เงินก็นมีหลายผู้พอ่อผู้แม่มีลูกสาวคนเดียวยีให้ผู้ใดกระบอกให้จําเป็นน่ะไปเห็นพระพุทธเจ้าผู้พ่อไปอย่างพวเราไปเห็นเพอาะนุ่มวะท่านยะูนิธาน่ะ พ่อนุ่มเป็นคนสวยคนงามเป็นลูกเขยสันเหมาะสมกับลูกสาวสันเขาจะเอาลูกสาวเขามาให้เบิ้ลคันพอใจแล้วเรายกให้เงินทองทรัพย์สมบัติของเขาก็มีร้ายเขาจะยกให้ให้ยู้จินด้วยกันเป็นผัวเป็นเมียคันจนเท้าจนแก่จนตายํากันคนละเนี่ยพระพเจ้าก็เลยโมปากโมปากก็เล่บกลับคืนมาหาผู้ลูกสาวบอกผู้เมียเฮ็ดแต่งตัวอะไรบอกลูกสาวแต่งตัว นึ่งงามเขาไปเห็นแล้วพอหนุ่มคนเรื่องงามสมควรที่จะเป็นกับลูกเขยเราได้พอดีกันแล้วกับลูกสาวเขาเลยกันเอาไปแล้วเอาไปกันเลาโบเห็นพระพุทธเจ้านี่จากหันแล้วแล็ดซอกแต่ก็ะโเห็นแล้วบบบนี้ผู้เมียกันเลยว่าอีตาเท้าอันนี้เห็นผู้ใดกันเนื้อว่าเขาชิมักลูกสาวตัวเองนึกว่าลูกสาวเจ้าของงามบางที่เขาชิบบมักก็ได้นะว่าจันไวเออขันคนบุมมักลูกสาวแล้วกำเนิดขวยเท่านั้นเนี่ว่าหนึ่ง คนบัวสลาดเขบาบอกขวัญเขาเอินคนจ้าแน่นมากทางกรุงเทพเขาว่าคนจา้าบคนคนโง่ไม่หมด<ะ>คนเจา้าคนโง่คนบัสลาดเขาว่าขวายซองกลับเป็นพระราหันเท่านัะคนบุมักลูกสาวเราทีมีที่เด่ในโลกไม่หมดวัน น, นี้ก็ไปไปก็ไปเห็นหอยเละโออยุ น, น, ยนี่หอยอ่ะเห็นแต่หอยเยอะๆเพราะเราเมื่อกี้ยู่นี้แหละแต่เอิญผู้เมียกับพูสดสาวไปบึง้งผู้เมียก็เลยว่าให้ โอ้เฮียนมาแล้วไตเพ็ดมันไม่หอยตีนอันนี้บอกเป็นหอยตีนผู้จี้มีลูกมีเมียอันนี้ว่าหอยตีนคนแบบนี้ถ้ามีวิญกระปะนี้อันนี้นนถ้ามีทัพสมบัต ก, กันีกแล้วหอยตีนแบบเนี้่ยว่าจะไปเสื้อหอยตีนยังไดงจะไปเสือ้อไตเพ็ดยันไดว่าลายผู้เมียเสื้อไตเพ็ดแหละมันกิได้เรื่องเนื้อหอยตีนโค้งหอยตีนมันโค้งตากนี่เขาว่าคนมีโมหะคันหอยตีนยุกหน้าสิเขาว่าคนมีโลภะ ขันหอยตีนทางหลังหนักนะที่เขาคนมีโมหะสิผู้มี้เขาเรียนใจเพศเขาเรียนในทางธรามเขาคุยกนันกันหอยตีนน้่มันเต็มผู้กลูกปองเสียงมันก็จเป็นหอยตีงคนมีโมหะโทสะโลภะอย่างไรหอยตีงคนแบบนี้ต้องเป็นหอยตีงของพระอรหันต์แล้วนี่โอ้ยจะไปเสื้อยังไงตำรับตำลาจังสั้นสิสิว่าให้ผู้นี้แต่เห็นพระพุทธเจ้ายือนอยู่ห่ไหมไมล์บุรุนั่งอยู่ห่ไหมไมล์หูเนี่ยโอ้พุ่มพุ่มพุ่ไปไปไปไปไปหาพุ่นน่ะเนี่ยไปหาพระพุทธเจ้า ไปก็เลยไปว่าครับพระเจ้าวะเนี่ยพ่อนุ่มลูกเสาแล้วเนี่ยงามเหมาะสมกับพ่อนุ่มแล้วเราจะยกให้เอาทรัพย์สมบัติเราก็มีมากมาสันว่าให้ พ, พระพุทธเจ้าว่าให้ฝังเครียดผู้มีอันผูลูกผู้ mover, สาวคนนํานา ม, ามนั่นผูกพ่พอผู้แม่ตั้งใจฟังได้เป็นพระเดียบุคคลเนี่ยการฝังธรรมะผู้ลูกสาวฝังบุกเข้าใจธรรมะหาว่าพระพุทธเจ้าดากเรเบือกตอตาน่นส้นเนี่ยจังว่าเขาต้องเข้าใจ อันคนมานําเฮาก็คือกันผู้ฟั่งโบเข้าใจกับหาวิธีขัดข่วงต่อต้านอคนผู้ที่ฟังแล้วเข้าใจเกิดสนับสนุนคนที่ฟังโบเข้าใจแล้วกับโบต่อต้านโบสนับสนุนก็มีเนี่ยคนฟังธรรมะมียี่สามประเทศเป็นวายจากนั้นพอได้ฟังไปแล้วอ้าวพอนุ่มเหมือนนฟังก่อนเหมือนนเออโบแมนพอนุ่มก็เลยโบตอบพระพุทธเจ้าก็เลยโบตอบไปอย่างเออ ท่านพามฟังเราพูดก่อนเออเอาฟังพมนมพูดมาจะพูดยังไงอะหม้อหนังห่อของเม็ดนะสัตวนี่เป็นหมอ้อกระทะห่อของเม็ดอันเลื่อหนังเขาจะเป็นหมอ้อทางในมันสกปรกหม้อหนังห่อของเม็พดพระพเจ้าก็เลยว่าให้ผู้่าคนนั่งเกิดเครียดขึ้นในบทจนเกิดเกิดวาซือเราเมื่อนี่อย่าพอใจวาซือเราดอกเมื่อนี่ อ, อ, อยาเกิดพ่พอใจขึ้นอย่าปะท้อบักหัวโลโนี่เหมือนวากูุปานี่ยุด น, นดาพพรทเจ้าจีว่าให้เย อบัด น, นี้ก็เลยภบแม่กับภูพอวก็ฟังได้เป็นพระอนาคามีคุณฟังทำเพื่อเดียวนึงนะ่ะก็ศรัทธาเรื่อมใ่ในพระพุทธเจ้าหลดผู้ลูกสาวนั้นเครียดในใจพี่หาว่าพระพุทธเจ้าว่าให้ตัวเองม่อนหนังห่อของเงาของเม็ดนะสิแม้จะตี น, ตนแล้วก็เบนห้ดไปแตะท้องคุนพระพุทธเจ้าว่าเ <c oughs> ขาก็ยังว่ากันอยูย่เนี่ยเพราว่าถามเมื่อเช้านึนกว่าเคยเคยได้ยินามาองที่ใกล้บันเหม็ดบอได้ยินยุสถามพู้ใกระถามเนี่ย เคยได้เคยรู้จักว่าก่อนที่การดึงเงินเคยรู้จักบอแล้วไปเยี่ยมกันมีบอเหลือมันมันว่าเป็นเชื่ออันนั้นมันบอเห็นจริงกันเลยตีนแล้วก็บออยากให้ไปแตกตอันเครียดเลยผู้สาวคนนั้นปาท่อบักหัวโลดนี่มันว่าให้กูปานนี่ผู้นันไม่ขจีวานเลยบอได้บอได้ยินอันเนี้ยคนเครียดเนาะเป็นน้ำใส่เงินบอเนาะมันต้องเป็นมึงเป็กูขึ้นโลดได้แบบนี้มาหอดบ้านก็มาปรึกษาหาอะไรกันกับผู้นี้เออลูกสาวของนี่เหตุยังได้เ ยังไ่ได้แต่งงานแล้วบ้านเหนียขันตาไว้เนี้นเนกเจะเปผู้เอาแล้ววันนี้เอาไปถวายผู้ปัวกระ บ, บวาให้ฟังอีกเต็มเสือเอาไปถวายพ ญ, ญาอันนึงเาจะเป็นมเมียเขาอันนางอันนั้นกลว่าแต่พ่อแม่ยกให้ผู้เด็กเอารดคนดีก็เอาคนบูดีก็เอางานก็เอาบ่วงามก็เอาไว้าาวแต่พ่อแม่ยกให้บระบวาเมียคนที่นั้นที่นี่กระ บ, บวาก็เลยจะเป็นเมียพ ญ, ญามืองอันนั้น บั น, นี้พระบริจาก็เลยไปเผยแพ่เมืองอันนั้นก็นบอว่าเมืองอันนั้นอันนี้แหละวาสะสือเนี่ยได้ยินข่าวว่าพระบริจ้าคจะไปเผยแพ่เมืองอันนั้นกันางนั้นกับขงปีเมียัญญาแล้วก็มีเงินุเนี่ยไป จ, จ้างคนทุกคนยากหรือคนยากก็กจ้างให้ด่าโลดมาเดียวสมณะโคดมพาลูกศิษย์ลุกหามาเนี่ให้ด่าเนื้อเขากลอกใดซอยแล้วก็ให้ด่าเนื้อมันเอาเปรียบสังคมพระหัวโลดมูเนี่ยคานเฮให้เฮ็ด น, นะให้ด่างี่เราถึงด่า ดาแล้วพระธรรมดาเขานี่กนี้ทนบได้ียยังติดเหลือติพระอรนุนมาสันพระอรนนนเนี่กะส่วนพระพรุเจ้านี่โอ้ยนี่เถอะคุบาบร่รกิวอาจารย์บ่ริก่วสมณะโดมบ่ริกิวพระพรุทธเจ้าจีวสันะมหะจักนี้เถอะเมืองอันนี้เป็นเมืองป่าเทือนโมหูจักพระเจ้าพระทรงมานประเลยถามพระอรนุนไปที่ไปเมืองใดหนุนอนนั่นเนี่ยไปเคยยมมาแดน่สมมุติรับ ไปบไปไป้านาเดนหันขันบ้านาเดนด้ที่ไปใส่ซื้อมาเดี่ยไปบ้านอุโมงบาเนี้ยขันบ้านอุโมงได้ที่ไปใส่ไปบ้านน้อยอะไรขันบ้านน้อยได้ที่ไปใส่ไปเสียงหานเอาแหละอนุณพอแล้วอไน้สิไปใส่เขาก็ด้าอันคนได้เนี่ยมันมีอยู่ทั่วโลกเลยเอาแหละอนุนั้นไฟเมืองใดไหมต้องเอาน้ำเมืองนั้นนอสอ้สินี่พออยนี่ยพอไว้ฟังอันว่าไปเมืองใดไหมให้เอาน้ำเมืองนั้นนอดโบนี่เราโยหันบบเกินหกเจ็ดมือต่อเลยมัดเงิน นางอัน น, อนั้นหมดเงินแล้ก็บุรีมจ้างแล้วบนเนี่ยบุรีมจ้า ง, งก็เศร้าแล้วบนเนี่ยคนมันเป็นอย่างสัน้นอ่ารการฟังเทศฟังธรรมก็คือการมูอเฮาก็ได้ข้างเขาว่าดีก็างจะว่าดีนำเขาเขว า, วาว่าชั่วยจะว่าชั่วนาเขาให้พิ่เจรณาด้วยสติปัญญาของเขาให้เข้าใจธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยพอดีสองภูมยเนี่ยกับปวรณาถวายตัวเป็นลูกศิษย์หลดผู้ลูกสาวเดินฟังด่า ผูพ่อผแม่เกิดศรัทธาเนี่ยการฟังธรรมะเนี่ยวุทธิ์ขึนพ่อแม่หักแสนหักลูกสาวก็ได้จาเป็นกับวงลูกสาวได้นางอันนั้นกะเบิ่งพระพุทธเจ้างานแต่งงามนึกว่าเขาได้ว่าเป็นผัวตัวเองแล้วก็ทิสบายใจมีความสุขเนี่ยหมกกักพอดีพระพุทธเจ้าจะาเกิดเทียดแคนแน่ใจบ่มักเลิศด่าบักหัวโลนหัวเถอเข้าไปลบเป็นอะไรพอดีเมื่อนั้นกับสาวด่าสาวด้าไล้พระพุทธเจ้าก็เลยเคยแท่ธรรมะเมืองอ น, นั้น เป็นคนลู่ธรรมะหลายคนเฮาก็จะไปเสื้อคนเขาเขาว่าชสื้อจะไปว่าชั่วกับเขาเขาว่าดีจะไปว่าดีกับเขาให้เฮาลู่แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงหั้นเขาด่าแบเนี่ยอยากได้เงินเขาอันเฮาเนี่ก็อยาให้เขาว่าเป็นหมู่เขาขันคนพผู้เขาบ่มากกันันพูกเขามากเขาว่ามันยงยงเขาเป็นมู่เดียวกันเน่ยมันเป็นอย่างนั้นอย่าไปเสื่อดีก็อย่าเสือเสื้อก็อย่าเสือใสสติปัญญาของเฮาโดยเหตุด้วยผล คนนี่ขันวางโง่เพืเกียดจต่คนจริงว่าโง่นั่นแหละมันพอดีกันคนโง่แล้วเขาอย่งจูงใดคือค่วยนี่น่ะเนี่ยพ่อเคยว่าให้ฟังค่วยเนี่ยเคำมั้นสลัดมันก็ซนแตล้วเขาจูงไปค้าเนี่ยจูงไปกันเสื้อหน้อยๆคนตั้งหลายคนเนี่ยพ่อเห็นเขาเจ้าจูงไปยางไปจงกุบจงกุบไปต่หอดบื้องเขาจีค้าแล้วเขาก็เสื้อมัดคอแล้วฟันแทงฟันขาฟันคอใต้โลดเนี่ยข่วยมันโง่ข่วยเน่ยขันหูจากลกคิดละใครจากน้อยนั่น เขาจะจูงกูไปฆ่าได้จเรื่องวิ่งแหงนึงดึงแหงนึงเสือกหลลุดมือก็ตซนคนคนก็ตายหมดขวดกระบอได้ทุกตายสับเนี่ยอันคนนี่บันโง่เขาจึงหลอกจึงหลวงได้เพื่นว่าดังนั้นผู้ที่มีคุณธรรมมีพระเนียบุคคลี่สอนคนโง่ฮั่นให้เป็นคนสลาดขึ้นมาเพื่นวายอย่างนั้นสอนคนที่ทำํำบูดีพูดบดูดีคิดบูดีได้ให้มนกลับเป็นคนดีขึ้นมาเพื่นวายอย่างนั้น ตอนคนกําลังมีอยู่คนทุกข์อยู่หัน่นน่ะให้เขาเลิกล่าข่มทุกข์ฮั่นให้เขาบ่ามีทุกข์ฮั่นเพิ่งสอนจางสันพระปุริเจ้า <Okay. S 1> เรื่องอันบุญนั้นให้เขาสอนกันมาแต่ก่อนแล้ว <Okay. S 1> ให้เขาก็ใจทางสัน <Okay. S 1> เขาอยากไปเกิดเมืองเทวดาอ <Okay. S 1> ยากไปเป็นเมียพระอินนี่ <Okay. S 1> เป็นวะพระอินผู้เดียวมีเมียซี่เอมีเมียซี่คนผู้เดียก็อยากไปเป็นเมียพระอินแบบ น, นี้ผู้ชาก็อยากไปเกิดเป็นเทวดาแบบ น, นี้พ่อเขาเสื้อตาหลักตาําราเสื้อกูบาอาจารย์ เมืองสวรสด์นั้นมีผู้หญิงห้าร้อยคนมีผู้ชายผู้เดียวให้ว่าผู้ชายผู้เดียวเป็นเมียห้าร้อยคนคนมีกิเลตบานคนจะกไปเสียนวะคนมีกิเลตอยากไปมอยากได้เมียหลายคนเนี่ยคอนโง่ที่สุดกับอกีเลสเนี่มันโมโหมันอยากไปเสื่อเมืองสวรสด์เมียผู้เดียวสองคนก็ยังทะเลาะผิดเพี้ยงกันทุกเกือบตายแล้วจะไปเมียสิบคนสาวคนตั้งห้าร้อยคนมันก็ที่หาเวลาหลับนอนได้มันก็ตายเสียนวะ เดี๋ยวพูดยิงถ้าเราคอยกุมตีกันกระตกมาได้เมืองสวรรค์หอดลุงนี่กระคอหักตายเสนอกระเป็นเมืองนรกเต้เมืองสันนะมันจะได้เมืองสวรรค์ยังไงเมืองคนไม่คิดเรื่อเขาเอ้เมืองนรกเขาบูมหัวจากวิกฤตอันน <ton> ั ist, ้นเต้ยนางสันให้เข้าใจให้มันดีเอี่างพวานเนี่ยอยากเสื้ออยางพ่อให้พี่จะิญเอาเองอยากไปเป็นเมียพระอินพระอินเขพยกคนสวยคนงามมาเต้ยเมียพระอินน่ะมีซี่คนพันวามีนางสุสาดาเต้ย นางสุจิตตานางสุธรรมานางสุนันทาที่คนเป็นเมระอินท์มู้ไม่ออเขาออกะอยากไปเป็นนางสุสดานางสุจิตตานางสุธรรมานางสุนันทายู่ใสเห็นบ่อวัเห็นแล้วของคนตาบอดดวง น, นึงแล้วคนตายเฟืองมาที่เห็นบ่อคนเป็นม า, าพาศ่ะนางสุจิตตาก็เกิดมาโมจะเป็นศาสต์หนึ่งชาสต์หนึ่งของคนค้นนาเอินวิปัสนาฤๅ อนิ ย, ยัสัตซีพระกัจจีวากันกับบุหิจักเลยเนี่พอว่าได้มันบูรึกับตำลาดอกพอตำลาบ่ได้ว่ากันเนี่ยพอหักว่าเอาผู้เดียวอันเนี่ยข่คมคิดคนเห็นข่มเข้าใจมันเป็นอย่างสัน้นนางสุสดาคือเกิดมาเป็นทซาตของคนนนางสุจิตตาคือจิตะตะวิปัสนาคือเขามีจิตมีใจอนคนนั้เกิดมามันมีจิตมีใจพัน่านางสุธรรมาคนเกิดมามีจิตมีใจมาต้องทำ การงานมันต้องทํทาทํานาทําสวนกินขา้าวกินน้ําคิดซื้อคิดขายเพิ่นเอื้นทำนางสุนันทาเนี่ยถ้าทําดีมันลือซาปากฏทั่วไปไทั่งโลกคืออย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดในประเทศเอินเดียพุนนะ่ะเสียงมันลือมาฮอดสมืองไทยไปเนี่ยเอื้นสุนันทาทําการทํางานโดยมีซุกทําการทํางานโดยมีความซุกขเพิ่นเอื้อสุนันทา เป็นผู้บรนลือเป็นผู้ที่อยู่บโบโศกบโบเ้า เ, าเขาโบาเคยเข้าใจอย่างสัน้นนึกว่ามันเป็นโตคนจริงๆนี่เฮเพราะหนังกับเพราะโง่ของเขานั่นละเขาบบหั้จักขันว่าโงอย่าสุเียดโอ้กูไดโง่ได้กลับมาสลาดซะขันละมันโบดีได้กลับมาทําดีซะมันก็แลว้วซื่อเนี่ยกูเป็นมีทุกข์ได้กูก็เลิกทาทุกข์เนี่ยมันก็โบทุกข์มันก็กนกแลว้วซื่อเนี่ยอันพระพุทธเจ้าโบาเซมีตนมีโต เขาก็เคยได้ยินดีเนี่ยพระวรคลิตกับไปยึดกับพระพุทธเจ้าอ่ะลักพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยว่าให้ก็เลยให้ว่าเสียอกเสียใจจีไปขึ้นภูเขาจีไปโดดเหวตายหลายเรื่องคุณว่าพระพุทธเจ้าก็เลยไปห้ามไว้พระวรคลิตเขาจะ ว, ว่าอันนี้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือว่าโดยวราคาหน้อยจีว่าแต่น่ะโบแมนพระวรคลิตตายเป็นมดตายเป็นตายแล้วเน่าเหม็นเป่ น, านามเมน่าเหม็นเป็น อันรูปนี้เนี่ยรูปผู้เป็น amin, NP, inside, man, SO e. พระพุทธเจ้าเนี่ยตายเป็นบัวตายเป็นเน่าเหม็นเป็บัเน่าเหม็นเป็นคันตายเป็นเน่าเหม่นเป็นเมื่อี้เป็นพระพุทธเจ้าได้ทําไหมพระวรกลิก็อยากเห็นพระพุทธเจ้าดีแล้วพระวรกลิกอยากเห็นพระพุทธเจ้าน่ะพระพุทธเจ้านั้นบัวแมนอันนี้อันนี้มันเป็นรูปภาพแบบไปเข้าเปือกกินเข้าเปือกบัได้สมมุติให้ฟังบันนี้เขาแก่ข้าวเปลือกออกแล้วเอาเปลือกมันเอาไปข้าสารกิเข้าสารกับบได้แต่กินข้าสุกพ้นพระวรกลิก์มาสมมุติซื้อได้อันนี้กับเนี่ยพระวาเนี่ พระพเจ้าจิ่บด้ ว, วา่ารยังซี่ดอกแต่หันมาพอไว้ฟังซื่ออันนี้อยากเห็นพระพุทธเจ้าดีแล้วอ่ะท่นอั น, น, อ น, นให้ฐานรักษาสิมันดีแล้วแต่มันด้วยเห็นของจริงก็เลยมาหาเรื่องวาเอาเนี่ยเพราะว่าเป็นวาโสสามส อ, อ่ะท่นหนัง ส, สือเป็นวาโสสามโสก็สะอาดสว่างสงบเปิดอึ้นโสสามโสอันสะอาดนั้นเหาก็มีนี่จิตใจสะอาดจิตใจสว่างจิตใจสงบ จิตใจบริสุทธิ์จิตใจผ่องใสจิตใจว่องไวพระพุทธเจ้าบทจะเป็คนทือฟังอนัตกรรมของเขาใจโลดสนับพระพุทธเจ้าอันนั้นคือจิตใจของพระพุทธเจ้ามีพร้อมกันทั้งหกอย่างนี้ของพระพุทธเจ้าอ่ะเขานั้นมีอันเถละอันมีจิตใจสะอาดกับจิตใจกระบิสว่างเหมืนเนี่ยคันมีจิตใจสว่างจิตใจกระเบิิบริสุทธิ์สะอาดเหมืนเนี้ยคันมีจิตใจสงบจิตใจมันจิบริสุทธิ์สะอาดมันจิบใสว่างอยางตั้นกระหม่อรู้จักแล้ว หรือบางทีห่ออาบทาจิตใจเ่าสะอาดสว่างสงบได้ครบสามญาณนี่ก็สแสดงว่าเหาเนี่ยเห็นพระพุทธเจ้า น, น้อยขึ้นมาแล้วเนี่ยบัด น, นี้จิตใจเ่าบริสุทธขึ้นมาบัดเนี่ยจิตใจพ้องใสบัดเนี่ยมีผู้ใดามาว่าอันใดพู้จักความหมายโลดจิตใจว่องไวเขาก็เห็นพระพุทธเจ้าเสวนะขเขาก็ย่างไปหาพระพุทธเจ้าจาับแขนจขับขาพระพุทธเจ้าก็ะทุกเสวนะเมืเม่อพระพุทธเจ้าจเจวมีตัวเจวมีโตเมื่อพระวักกระเล็กได้เห็นอย่างนีแล้วก็โอ้ย อยู่กับพระพุทธเจ้าก็อยู่ได้รู้อยู่กับพระพุทธเจ้าก็อยู่ได้เพราะว่าตัวก็มีคือกันกับพระพุทธเจ้าแล้วและแขวนสบายตอนสื่อนี้นะอันนี้ผานในที่เป็นซอกเอาเส่อใหญมันจิบไปบ้านเป็นเมืองที่ไใหเสื้อมีอย่างกระดกกระเดี้ยวเอาตำราเนี่ยกระไดคันบวเสื้อตำรามันกระทำลายสำหบบแมนผู้ได้เสื้อเขาเจ้าเสื้อโยนตะก้อนเขาไม่ได้ทำลายคันเสื้อตำราขัดอุปาทานเสนว่า คือยังรับสินเนี่ยบุได้รับสินแปลแต่ไม่ให้ยังบุได้ก็ยึดสินอยู่หันน่ยก็เป็นอุปาทานเช่นว่าหันบุได้ไปให้จังหันบุได้ไปเสกกับบได้ทําบุได้ทานก็ไปยึดอยู่หันมันเนี่ยเป่นอุปาทานอันนั้นนะอย่าไปยึดไปถือจังหันมีกับทานบุมีกัแล้วไปมีกัให้บุมีกัแล้วไปจังหันเป็นเนื้ว่าคนบุมีอุปาทานเฮตตุสุขบรีสุทธิมีกัให้บุดีใจบุมีกับบให้บุเสียใจเช่นว่าวาแล้วมือเนียท่าน กับเสียใจอีกตื้นตัวโอ้ยว่าจิไปไหวพระบ่เนี่ยนึกบ่ได้ไปไหวพระเสียใจแล้วบ่เนี่ยเนี่ยอุปทานอะทุกข์แล้วเนี่ยควมเสียใจควมดีใจมันเป็นทุกข์ดีใจแล้วเพิ่มเอื้อมมือสีขาวเสียใจได้เพิ่มเอื้อ ม, มือสีดำว่ามือสีดำสีขาวกับบุหุจักคนเขาเนี่ยบุูุจักเพาะหยั่งเขาเป็นมือยัอ่ไงทำพุ่นพนว่าธรรมมาให้ฟังแล้วบุูุจักบางคนนั้นมาฟังเนีพราะว่าทุเรียนโอ้ย โมเมนทางนอกอันเนี้ยมันเป็นเทวทัศน์แหละขอมานิดแหละเนี่ยรอไปครับท่านขอมานิดใหม่ถึงอันใดเจ้าของหู้จักบอสเทวทัศนใหมายถึงอันใดเจ้าของหู้จักบอสด่งหุ้จักแล้วก็ได้ยินเขาว่ากับว่านําเขาซื่อๆเนี่ยอันเลือกไปฟังความคนอื้อนั่นมันบูรณาประโยชน์เทนว่าให้เดินจมกลมก็เดินลราเบื้องซื่อนี่นะทนว่าให้ใจเรากระเฮ็ดเราเบื้องซื่อนี่นะมันที่เสียทรัพย์ดับสินไม่ยังมันเสียเงินเสียทองไม่ยั้ง มันบม่ได้เสียไม่อย่างนี้เฮ็ดลองเบิ้งซื่อเนี่ยเฮ็ดเราเบิ้งขันมันโหโอเฮ็ดอันนี้มันโดนโหเด้แล่วก็โหสันมันมีเรื่องอย่างอันโทสะโมหะโลภะนั่นมันเกิดขึ้นเพราะในระยะของลืมตัวเขาซื่อเนี้ยเด้ถ้าหากเขาหูจักตัวเขาอยู่ซีมีคนไหนมาว่าโอ๊ยโกดมันนทุกเด้สันเขาบอโกดแล้วก็แล้วซื่อเนี้ยอันโกดอยู่หันน่ะมันทุกเดสันรกกัน่อันนั้นลกนั่นกับโบสถ์จิตินฟดอยู่เพาะลวกเพราะลวกอยู่คือฮาว่ากันนั้น กระทะทองแดงนะคนโกดเนี่ยให้มันยืนอยู่คนเดียวมันยืนได้บอสมันยืนอยู่มอสกระทะทองแดงก็บ่างคุณย่างทีแต่มันโกดอ่ะมันหอนเง็ดนอนด้วยมกระพิกกระปิ้นอยู่เพราะว่าน้ำหอนน่ะกระทะทองแดงนั่งมันก็นั่งบ่ได้นานคนโยกกระทะทองแดงภนวนาอย่างสั้นนั่งกระทะทองแดงยื้อยกกระทะทองแดงนอนยกกระทะทองแดงขันคนโกดนะมันพุกภนวนาอย่างสั้นเอาก็เลิกซะ อย่างว่าพ่อเมียยืรดึงกันเนี่ยคันโกดึกเฮ้ยตกนรกแล้วได้ฮันหนาก็อายเส้นๆพ่อเมียกระได้โอ้กูตกนรกแล้วเนี่ยกับซ้อนทำมาให้กันในครอบครัวแบบนีคันพัวพโกดึเนี่ยตกนรกได้ฮัน่ะอือมันก็อายเส้นมากับซ้อนทำมาให้กันอยู่ในบ้านในเฮือนพลวัตอย่างสั้นซอนลูกซ้อนหลังอยู่ในบ้านในเฮือนอันนี้คันโกดให้มาก่อนแล้วเบื้องหน้ากับโมได้แล้วแบบนี้เนี่ยมันคนโง่ทางนั้นลอมันโง่คันว่างโง่ยาสุขีแต่เชียกกระซังหมูเจ้าแล้วหมูเจ้าเชื่อหมูเจ้ากระตกนรก เนีย่ยพอวายให้ฟังอยู่เดียวนี้เนี่ยนรกคือความทุกข์ให้เขา้าใจามู้เจ้าเครียดให้เน่ยพอเมื่อแดดกันมู้ขาจะกระตกนรกมือนั้นโบมเม่นนรกฟุดปุลวะปุลวะอยู่พุ้นมู้เจ้าเลิกความเครียดความโกรธความโบมเม่นออกใจพัวเมียให้กันนั่นนะ่ะเศร้าสะเทอเขาพิดเพี้ยงกันเดียวเด็มู้เจ้ากระได้ขึ้นเมืองสวัสด์มือนั้นเลิกมือนั้นเพียงว่าอาดีตอนาคตนั้นเหตุอย่างให้เขบาบ่นได้เขาจะแก้ได้แต่สฉพาะปัจจุบันเท่านั้นเขาเคยว่ากัน ยาพ่อเป็เด็กน้อยเพิ่นลำเพิ่นวากิเลตพันห้ากันหาลอยแปดเน่เสื้อพูกคอผอพู้ซอกพวกสักแข้งสับขา่ยพ่นหนักสางวาวเพิ่ลำเพิ่นวาบูงหวจักได้เบาซื่อได้เนี่ยกิเลตพันห้าเกิดย่ใสเกิดยกับอดีตฮันคือจะคิดเมื่อกี้เนี่ยห้าลอยเกิดยกับปัจจุบันยพาะดีว่าห้าอยเกิดขึ้นกับอนาคตห้าอยสามอย่างนี้แหละเพิ่นวาสามห้าสิบห้า เป็นกิเลสทันห้าเกิดขึ้นอดีตหนึ่งเกิดขึ้นอนาคตหนึ่งเกิดขึ้นกับปัจจุบันหนึ่งเพราะมันบุกู้จักตัวเองเห่นไคันหู้จักตัวเองแล้วมันบเกิดขึ้นมาแล้วโอ้ยมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็หายแวบเป็น่รตีนียอดีตกับบเกิดขึ้นอนาคตกับบกเกิดขึ้นปัจจุบันกับบเกิดขึ้นก็ล่างมือเสีนว่ามือกับบุกโกักเสนวอันนี้ขันงเกิดขึ้นกับสาวคิดโตมายบันเนี่ยให้มากินเขาอีกตัวลาอีกเมเนี่ยมันเป็นตันหาร้อยแป อนาคตปัจจุบันคือกันเกิดขึ้นอดีตสามสิบหกเกิดขึ้นอนาคตสามสิบหกเกิดขึ้นปัจจุบันสามสิบหกสามสามเก้าเป็นเก้าสิบสามหกสิบแปดเป็นสิบแปดกับเป็นปัญ ห, หาร้อยแปดจังหวะมันจะยู่อสิเดกก็ยื้กับตัวเห่านี่เองเฮาบ่าซอกหาที่นี้ไปซอกหาทีเด็หูกิเลสก็ได้ก็เลยไม่ได้เห็นกิเลสจากเธอตายแล้วเกิดเกิดแล้วตาย แล้วก็จิจอยากบักระดีตืมจยกไปตกนรงอีตื้มพาพระเจะาพึนสอนย่ามาเกิดเกิดถึงก็ตายตื้มเลยแล้วขันทำบุญให้ถานอยากไปเกิดเป็นเทวดาคนมีกิเลสแต่มันก็อยากไปสนว่าไปขับนทุกะขันหุ่นจากอดเหนียวพวานเนี่ยโอ้ยผมไปเกิดหัวมันเนียเทวดาเลยสู้อยู่บ้านบุหงเนยบุได้ดอกเห็ดไฮเห็ดหนาเยอะเก็บผักหางอก็อยู่นี่ละแล้วก็แล้วท่นว่าขันจะลุกเงินยศสวรรค์ขันฟ้าอยู่เลยคิดได้ฝั่งเสาลงที่ไหนขันบอกฝั่งตะที่ดินเนี่ย โบม่เขาเฮ็ดจุดสามซันสี่ซันจุดซันยี่สิบเขาส็ฟังจะคิดเองคิดขึ้นไปโบม่เขาจะไปฝูกอยู่อันใสลมใสแดดอยู่พุ่นมันเว่าเนี่ยโบมีอันผู้ว่ากับโบมู้จักผู้ฟั่งกับโบมู้จักอีกตื่นพร้อมกันตะลุมตะลอยไปอันโบมู้จักอันละอีกตืมนผลวายอย่างสันที่ว่าให้ฟังเนี่ยตั้งอกตั้งใจปฏิบัติโทสะโมหะโลพาชื่อจางไปแล้วเขาก็สบายเสียนะเวทนากระโทุกสัญญากระโบทุกสั่งการกระโบทุกวิญญาณกระโบทุก ทั่วโมทุกอาเเออ้นสวรรค์หกสันตาสันหนึ่งหูสันหนึ่งดังสันหนึ่งปากสันหนึ่งกายสันหนึ่งใจสันหนึ่งหกสันนี้อยู่ด้วยขมสุกพันเอื้นโลกียะสุกพันวาจังสันแล้วหอยจีไปเอาขมสุกเมืองสวรรค์อยู่ใส่คนบูงหัจักสอมันกับบูงหัจักคือกันนั่นล่ะที่อย่างพ่อว่าให้ฟังเนี่ยวางหายตั้งอกตั้งใจอย่าพูดอย่าคุยกันมากเขาปฏิบัติได้เขาก็ได้ เขาปฏิบัติบอดาเขากรบบอดาได้แล้วทางบุญพอมันเทือพลิกมือขึ้นกับหัวมืออันหัวมือก็ได้แล้วได้นึ่งได้อันใดได้หัวมือนั่นแหละแต่ก้อนมันไม่เคยหัวมือจากเทือกมันไปตามสันสาตญานของสัดมันได้แล้วเขาบบุหัจักอันนั้นเพื่อเอ่ยเม็ดหมักงาเอาไปเทิมใส่บ่อใส่เหวอันกี้อันที่เต็มขึ้นมาคือเขาที่สมบูรณ์แบบเพิ่นว่าจยางสั้นคำมันสมบูรณ์แบบก็ได้กลับหนึ่งกับพัดซีอะไยังไม่แต่ก็เกิดขึ้นมาส่นะจีบีเรื่องนี้ยัง ให้เข้าใจอย่างสัน้นอย่างพอเวาอีกธิ์บทหนึ่งก่อนพ่ออย่างพ่อว่าให้อพ่อฟังศาสนาเนี่ล่วงไปได้ห้าพันปีแล้วจีเมื่อเจ็ดวันเจ็ดคืนเลยท่านพ่อจีบูจากลูกลูกจีบูาจากพอ่อแม่จีบูจากพ่อพ่อจีบูจากแม่เมือ่อคืนเขาอยู่ในถ้ำเนี่ยไปใส่ตํากันกลุมกัดกลุมกินกันมัดตามตกบไม้ปากแห่นเดาเพื่อไม้กิน อะไรตามอะไรนี้ของคนบูชู้จักเนี่ยอึดเข้าอึดน้าเจ็ดมือเจ็ดคืนนะเทวดาปิดโลกเออเทวดาปิดตะเวนบ้ให้มือเออบ้ให้แสงสว่างออกมาได้พุนะ่นเดี๋ยวนี้มันทึบเห่านี่แล้วเด้กไม่ได้มืดจังเสนเทอะดอกเนีย่ยพอเข้าใจมืดจางเสนเทอะเนี่ยพาพัฒนาจ ะ, ไ ป, าปะาไปเกิดท่านล่ะเนี่ยพอทุกกระทำสร้างอุดเอาทุกมือหนึ่งสองมือกูได้ฟังธรรมมาจากพระอรหันต์กุจีได้โดตาเหตุธรรมจะขึ้นไปยังนนะยสันบาสเนี่ยนั่นเวทมนตร์คนดีเด้บูชู้จักเด้นั่นตีคนใหมายบทูกเนี่ย เพราะนามื่อเนจะ็ดวันเจ็ดคืนเนี่ยแล้วพระพุทธรูปอิฐห <c oughs> ินปูนกระต่างต่างที่ห่อไปรวมกันคือยังสมมุติหามาอบรมกรรมฐานนี้นี่แหละรูปพระพุทธรูปที่ห่อมารวมกันนี้พอดีมารวมกันแล้วกับไฟมาอะอากันไม่แตกปั้งออกไปโหลดรูปที่ไปวัตถุไฟไม่เม็ดเดียักนดวงจิตลิญญาที่กับพระพุทธรูปแล้วทอกับเม็ดงานนี้ที่มารวมตัวกันเข้าเป็นรูปพระพุทธเจ้ากันเลยเนว่าอย่างนั้น พอดีแสดงธรรมึ้นแล้วผู้ใดมีปัญญาก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันก็มีบางคนก็เป็นพระอรหันต์ก็มีคนที่มีปัญญาผู้ใดปัญญาเนาะ ก, ก็ตั้มลงมาก็เป็นพระอนาคามีเป็นพระสักกิทาคาเป็นพระโสดาเป็นมนุษย์เป็นคนธรรมดานี่แหละไอ้แต่เป็นวานอยากพออยากจะเกิดที่นั้นเพราะว่าจะได้ฟังธรรมมาจากพระพุทธเจ้าว่าแต่มันจี้ยิ้ใส่หูแล้วบวเหตอย่างเคือเขาอ้าใจผิดอันพระพุทธรูปนี่ยนางสมุขเสก เ, เมตตอยู่นี่เนี่ยพระพุทธรูปเนี่อันนี้ โยนจิตวิญญาณอันจิตใจสะอาดสว่างสงบจิตแต่จิตใจว่ามีนพพําพาพุทธโลกอันนี้มิมัติเจขนบมเล้เหาะมาได้เนี่ยนั่งรถมากรณีเนี่ยบอกย่ามากรณีเนี่ยบอกเนี่ยพจนเอื้อว่าเหาะมาซื้อมันสมมุติให้หัวจักสมมุติเป็นว่าปุขลาทิฏฐานยกเป็นปุคลาทิฏฐานมาไวา้ฟังถ้าหากว่าได้ฟังรู้ทันทีเพจน์เอื้อปเจกาชน อานาพาุพัท ธ, ธ์ปเจกาพุทธะเป็นว่าอย่างสัน้นอันปเจติกสนนั่นนะ่ะเขา้าโบเข้าใจเขา้าโบเข้าใจเนื่องจากโบเข้าใจกับฟังผิดพูดกระผิดคิดก็ผิดโอ้ยโบแมนแล้วทํำลายแล้วนี่ยโบหูอยากวันยาพ่อมาส่งเสริมยาพ่อมาส่งเสริมเด๊ยาธรรมะเนี่ยทําให้พุทธศาสนาเจริญเดมู่เจ้ามานี่ก็มาส่งเสริมพุทธศาสนาเด๊วยวแมนทือว่าอยากเปิดไม่ได้เปิดเฮ็ดพุทธกะเฮ็ดอันนั้นได้อยู่ ญาตได้เอาจิบเาเพื่อนเอามเอามือเอาเพื่อนเอาเจ้าหัวไอจัวเอาครูบาอาจารย์มาว่าให้ฟังเนี่ยบ่แม่ของนายได้ปรึกษากันหลายมือได้แบบเนี้มาแล้วก็รีบตั้งอกตั้งใจทํำเสนาจีพูดจีคุยกันให้หยั้งคันนางหัวต่อมกันแล้วเอาละเจ้าเฮ็ดยั้งจะเป็นยั้งเจ้าหูวหัดใสแล้วเนี่ยว่าไปเฮ็ดยั้งได้ประโยชน์อันไดของข้าแตน่ะหูวใส่หาจแตกระทําสร้างเพื่อนนะเมยเพื่อนเฮ็ดยั้งกระทาสร้างเพื่อนนะเมย์เพื่อนจีคือหาลูกหาหลานกระทาสร้างเพื่นวะเหาอยากคือ เฮาเบิ่งตัวเฮานี้เมื่อตัวเฮาหูตัวเฮาเห็นตัวเฮาแล้วเขาก็สบายใจสินะวะเป็นว่าอย่างสัน้นให้ตัวสัญญาเนี่ยมันทําหน้าที่ของมันสัญญาคือเฮารู้เนี่ยพลิกมือขึ้นก็จะรู้สัญญาตัวนี้จะทําหน้าที่ของมันมันจะลูเขา้าลูเขา้ามันก็นเลยควมลุกจะจหมือไตสินะวะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่อย่างปกเินซีหูอยู่ทุกคนบวสะโกดเด็ดเน๊ เือนักโก้ต์ขึมาป๊บนั่นเห่าโบเห็นใจเหาทั้งหา้าซื้อนี่เด้เพราะฉะน้นคนลงตนลืมโตคนลงตนลืมโตนี่ถึงจะมีชีวิตอยู่กับเมืองกับคนตายแล้วคนว่าแต่มันเน่ามันเหน้นนะผู้จักมันเน่ามันเน็นบอผู้จักบอรู้จักมันแสดงออกมามันเน่นคือของอุจจาระเนี่ยมันว่าออกมาเพรานั้นของเน่าของเม้นจังว่าหมอนหนังห่อของเน่าของเน้นอาจารยเขาจีบเบิง้งเป็นลูกกายภายนอกจีวน้นาดูนาด่าสมนี่นั้น แต่บเปลี่ยนดอกอย่าพอนั่งพิจารณาแล้วปก่อน่ะแต่เมื่อให้กรรมฐานบเปลี่ยนดอกมันว่าเปลี่นซื้อบานมาเฮ็ดอันนี้เนี่ยไบตร้องพิจารณาันแ่้วบยามมาเกิดดอกแล้วซื้อเนี่ยเรื่องมันมีเท่านั้นซื้อนี่นะเฮ็ดง่ายๆนี่นะอย่าพวานี่นะแม่บตได้ไปทานจากต่างกะจีได้หูคือกันนี่นะของว่าพิจมือหูบุตรเเงินให้ผ่านบเจ้าหูเดะลองให้บุตแม่งเงินเอาเอาพิจมือโน้ตพิจมือหูบอสเนี่ยหู้นเงินพาหูเนี่ย แม้เหมือนว่าจะเป็นเงินอันหน่าว่าจเป็นให้เป็นนาพาหู้อัตหู้ของมันมีอยู่นี่แล้วเป็นอย่างโบยักเหตุมันขี้สายเนี่ยเอ้าตายกันมันตายเราเบิ่งขันว่ามันก็ต้องใจมันต้องสู้อย่างที่แม่จะว่าคนเก่งมันมันต้องเก่งคนกล้ามันต้องกล้าอันนี้ขันว่ะอ้อยเมื่อยเล้วบยักหูดอกตัวเนี่ยเพราะว่าเอาตื่นเลยขุมคขี้าดมันมาก่อนได้นหมดขุมขี้าดเลยไหมยังยาะกมานณโมหาโทสะโลภะเถินในนี้ เอาตายมึงตายเจ็ดแ บ, บกูเจ็ดแล้วเจ๊ยังอันเนี้ยมันกลมาด้วยศรัทธาสติสมาธิปัญญามันสามคนเนี่ยไครวามูลสามคนเนี่ยส ก, กัดอยู่เนี่ยภิกษุณะภิกเนียเนีย่ยพอเคยว่าให้ฟังปปนเนี่ยพอไปปฏิบัติแบบไม่เห็นล้มหัวนอนลงหัอแท่หนอนเลยมึงมานอนเดี๋ยวพอวะเนี่ย พ, ะะพูดเรงมันว่าลุกขึ้นมาเป็นบ้าเจ้าของเป็นบ้าบุห้จักลุกขึ้นมานเฮ็ดไปมาเฮ็ดไปเฮ็ดอย่างมีประโยชน์อย่างนอนลงคนเป็นบ้าโดยบุห้วจักตัวเองเป็นบ้าม่เนี่ยบ้าบ้ามันหลายบ้าเด้อ บูฮุ่จักได้กระดอกเป็นบ้าอยู่นั่ลุกขึ้นมาเฮ็ดไปเฮ็ดยั้งเพราวะนอนไปมานอนเนียเพราว่ามันที่อย่างกันเยอะเัยนะเมื่อโตว่าขี้ขาดนั้นขึ้นมาแล้วโตมั่นบ่มีโตมั่นเกิดขึ้นมาแล้วโตขี้ขาดหมมันซกกันเยอะนะมันห่อเขาบ่เห็นมันตีกันมันซกกันยอะนะไผ่แกงไผ่มีกําลังกัดสู้กันชนะเท่านั้นแหละหูเจ้ากัดคือกันนอกคือกันอย่าง่รกับไข่เนี่ยก็เข้อมีตาสองตาหูส่องหูคือกันเนี่มีแค้งมีขาคือกันเนีมีเบื้อ <_ Eddie ring> งซ้ายเบื้องขวาคือกันนี พ้าพระเจ้าเกิดในประเทศอื่นเด็กก็คือกันนี่นะเป็นอย่างว่าจีเฮ็์บได้เฮตบได้พอของ ข, องขี้คานเท่านั้นที่ซือนี่นะขันว่าขี้คานบเีคานบเีนขี้คานเนี่ยขันปวดทองไปโลดได้เนี่ยมันคานมือนขี้เกียจคนสากคนว่าเออขี้เกียจขี้คานอย่ า, ยาไปซื้อขวดพูนันพูนี้บอยซื้อเนี่ยพอลองพิาบงด้วยพระเจ้าอ่ะพิราหูเมือบ่อ<ว>หูเมือว่เนี่ยแล้มวมนคุมหูเมือกับมอยูในทุกคนเป็นบ่เนะมันก็จิ้ยากไม่ยังขอมันมอยูแล้วเป็นอย่างบอยากเหต คันว่าว่าจะของเก้าหันละเพื่อว่าแล้วก็ว่าของเก้านี่ว่าของเก้านี่มันของมีมาแท้แท้ด้นะเจ็บเปลึกซาประมาทคนมันนี่ยังอันนั่งอยู่เนี่ยมันบ่ได้แค่มากไม่ได้ดูจยาเป็นอย่างยุ่ยซื่อดีนะและแต่แลนไปเห็ุเหตุอย่างเดียกันมันบุู๋้จักนึกว่าอันนสนุกเหมืนว่าอย่าไปเหตุทางจันให้ตั้งอกตั้งใจเวลามันน้อยไหมเมื่อวันที่ยี่สบแปดนี่ว่าจิ้หมดแต่บุรุ่ยยี่สิบเจ็ดวนเมื่อในกลางวันที่ยี่สิบสามเมื่อในเล็ววันยี่สิบสองยี่ ยี่สิบสามยี่บสี่ยี่สบห้ายี่สบหกยสิบเจ็ดแน่อย่างซี่ห้ามือนี่เลยซี่ห้ามือนี่ใครตั้งตั้งใจทำได้อยี่ยพอวะรูขึ้นมาเลยใครบนตั้งใจทำกับพอ่อปานั้นแล้วของคู่หัวตักเส่กระบว้เต็มจากเธอแล้วลงคู่อัดทีมันดีเครือบใส่นี่มัยางที่สีทาดีๆแม่ตักใส่ปับ๊บหนึ่งกัเก็บไปรถสองปั๊บกัเก็บไปรดไม่โดเต็มแอ่งเต็มไฮมันก็ล้นออกไปเสนวอันนั้นแหละผลมาพคนเจจะเกิดขึ้นนะ่ะ ว่าไม่ใช่เป็นตัวเป็นตเกิดขึ้นคือจ้หาหอกเกิดจากทองแม่ในบริเวณหนองสันเนี่ยมันค่อยปืดออกค่อยปื้ออกเลาวพื้ออกนี่กติวาจัจไลยคอยขาออกคือน้ําคุณ น, นี่นะค่อยตักออกเอาขี้ตุมขี้เลยน่นี่เท่งน้าอยู่ในหูคุณนะ่ะมันจีค่อยไล่น้ําคุณออกมาเขาตักไลายเท่อมันกับคุณใส่สวัสดีตักขี้ตุ่มออกแหละบัณฑิตตักออกหมดแล้วบัณฑิต น, น้า ม, มันเป็นอองมอ้งอยู่ขี้ตมมาันน้ำคุณ อ, อ, อ, อยู่เขาก็นัน่งเบื่อจนะกวนบัณฑิตลางปากบ่อหันไป ปากอักลายเทือบเนี่ยจากซี่ห้าเทือนกวนน้ากับบุคุนสินะวะอันนั้นแหละมีผู้ใดามาว่ามกจีลู่เท่าลู่ทันรู้จักกันรู้จักแก่รู้จักเอาชนะตัวเขาได้เพราะว่าเอาชนะคนอื่นลอยครังพันหนบุมีประโยชน์ปีนั่งสู้เอาชนะตัวเทือเดียวเนี่บวได้ขันเอาชนะตัวเขาเทือเดียวเนี่ยมีประโยชน์มากที่สุดดังนั้นผู้อื่นวายเขาจะไปสู้สามากเกินไปเขาจะว่ า, ขากขจัายาขจาจ้าแหละเขาจะบมเขาจวัวไปเขาต้องสู้ เพิ่าจังหวัดนักกีฬามันต้องขึ้นเวทีบ่อยๆแพรสนามมันเป็นเกมกีฬาเป็นวายางานกันคนเฮียนโ ม, มยแก่ๆเนียจะได้เป็นแชมป์เปี้ยนเล่นบอกอไว้จ้างมันจะได้เป็นไม่ได้เป็นแล้วคํำว่ขึ้นเวทีกับคู่ต่อสู้ขึ้นเวทีกับคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้มาแล้วบอกว่าผู้นั้นหนักคนเฮาสูงคนเฮาง่ายคนเฮาบอกว่ามามาก็สู้แล้วจะคอยเบิ่งเงาคุณจีซกบไดามึงน่าสินสีซกแข่งซกขาวมันจะลมบ่สิน เนีย่ยพอบอกให้ด่าเชื่อเลยมาคู่ต่อสู้มาเย็นเซ่บนั่งไวหวขู่ก็ได้เอ้าวซกันนาะเขาขึ้นเวทีแล้วก็บอกให้จับตีเขาไปุ๊บใส่ตาแล้วส่องตาโรดมาเดีย่ยดซกใส่ตาโรดเขาคนนั้นชึ้งกำปันชึกตาแล้วก็หลับตาแล้วก็วกมืดฟุ๊บไปโดนจวนัวแบบนี้ลุกขึ้นมาสู้ให้อึกทซกใส่ตาอีกทุน่นน่ะซกเรื่อยๆมาก่นนาชนะทุกครั้งทุกครั้งก็ได้เป็นแสนเปี้ยนแต่มีเลี้ยงไม่เงี้ยสมมติวานนี้อันนี้ก็ได้พอดีเขามีสติอยู่มันคิดปุ๊ คิดพวผู้จักมาบัวมโกดบัวเนี่ยสอกใสเข้าใสบอกคำว่าสังสั่งกัดบางคนก็ไม่ใสรถมันโลมควงบางคนไปยังมาแล้วโกดบวสำหับวเปล่นตัวเป็นโตได้แล้วไปรถเหือยหัวปากไปพุ่นในเนี่ยมักบหมาขาบัได้ก็ได้เป็นแฟนเปี้ยนสมีเรื่องเนี่ยอันแฟนเปี้ยนไปซกหมดประเทศนอกใหยบัว่านันอันแสนเปี้ยนที่ของเมืองอันนี้เนี่ยพูก่มาญาติแย่ไปของบวได้เดเมืองอันนี้เนี่ยเขาเอื้อเมืองกายนนครพนังคันคันพีมายุ่ม่ใชเป็นเมืองผี คันเทวดามาอยูม่มมันจะเป็นเมงเทวดาเป็นวาจังสังให้เหาเข้าใจขำพูดจังเสียถ้าบอกเข้าใจแล้วก็ลุ่มหลงอยู่ท่านละฐานบูเดห้ามไปรักษาสิลบูเดห้ามไปทํากรรมฐานบูเดห้ามไปขุดน้ําบ่ก่อตลาดนี่ยพอบูาห้ามเดี๋ยวขำมันเศราจใจหายกดีแล้วขำมันบ่เศราจะหายนั่นบูเมีนทางได้นั่นไว้ให้ฝั่งลาเทือดเลยเด้เฮ็เมื่อลาลาดีเด้เหือออกย่อยหน้าย่อยหลังซื่อๆนี่ดนนนเดชมาเฮ็ดอันนี้ เมื่อบรออกสาบางคนเขาไม่ยาันาะยันีจริงๆคือออกยุ่งไงเดินจมกลมย่างไปย่างมามันคิดหัวจักปุบคิดหู้จักปบเอาชนะโหลดเนี่ยผู้หญิงกระเจี๊หู้คือกันผู้ซากระเจหู้คือกันเออเจ้าหัวไอจัวกะหู้คือกันบ้วกะหู้กันบ้วกะหู้คือกันเนี่มันจะเพลิดเพลินยังไงคนจนกะหู้คนรวยกะหู้คนเขียนหนังสือเป็นกะหู้บุเขียนหนังสือเป็นกะหู้คว่างหู้โตเฮาเนี่ย คนว่าตำหนิแผลที่ลี้ลับคนอื่นโมโหโมดีเหลือเขาได้เขาต้องรู้มั้งตำหนิแผลที่ลี้ลับอยู่บนไดของเขาต้องรู้มดเขาเคยไปหาไปหาหมอาไปหาเจ้านายเขาเขาจีเฮ็ดอันตำหนิแผลใบเนี้ยอย่าพอโบได้เฮ็ดดอกอันใบบัตรประชาชนบะเนี่ยอย่างพอมีปี้แแก่่ตเดือนนี้เขาเอื้นปี้เดี๋ยนนี้เขาเอื้นบัตรประชาชนนะมีตําหนิยู่ไสแผ่จะยูไสนี่ หัวจักมัดเขาเขาแพ่เขาคนอื่นบูหัวจักเขาหู้จักมัดอันนี้ก็คือกันคว่ำซัวอยู่บนเดี่ยวจีหัวจักมัดของเขามียู้ใส่เนี่ยว่าอยวเสืเหลียไปเจ้าคางหน้าเดี๋ยวมาข้าหลังแด่เหลียวท้ายแหล่ขัวแด่คนว่าสั้นคันเหลียไปเต้หน้าก็จีไปเห็นเต้หน้าคนไปมันจะบูเห็นได้ข้างซ้ายข้างขัวจะต้องเหลียวท้ายแหล่ขัวคนว่าสั้นเมื่อเขาเห็นข้างหน้าข้างหลังท้ายขัวเขาจะเห็นเนี่ยี่ว่าจะกระตั้งฟางว่าแถะเขายู้ใส่เขาก็เห็นเลยเด้ มันเป็นเพียงความสมมติอย่างเท่亚พวาวให้ฟังเนี่ยนางอนันดาพระพุทธเจ้าเพิ่งบอหัวสาเพิ่งเบอรวันไหวเฮาซีเฮ็ดอันนี้กับโต้องหัวสาวโบต้องวันไหวไผซีว่าต้นกระทำสร้างข้เจ้าเมื่อปางข้าเจ้าจิตเสร้าเองบบเมื่อข้าเจ้าเว้าอยู่หันเว้าวข้าเจ้าจิได้บีหยังก็ได้แต่เว่าหันแล้วเขาจะเสียบีหยังเขาจเสียบีหยังเขาก็ได้แต่เฮ็ดนี่แล้วที่มีประโยชน์มีหยังซัำแนะนำคนงงๆกับจีเคียดท่านได้ดีนี่แล้วฟังว่ามึงว่าเพิ่งกูเนติปากได้หมดเนี่ เนที่บอกจังไหนเจ้าของง้อกเขาอีกเพื่อไปจาเตะปากเขาอีกติ่นเเขาว่าก็ยญาเขาวะของมหัวสาแล้วก็แล้วจะซื้อในมือมือจะจิ้มมือเขาเขาว่าเยอะเขาจะได้เมื่อได้เตเมือเนี่ยเนี่ยจบนำหน้าคนเมือนะคับอันที่เนี่ยพอไว้ฟังตั้งอกตั้งใจมื้อนี้กับวันที่ยี่สิบสองแล้วมื้ออื่นนี้กับวันที่ยี่สิบสามสมควรพอนอนก็ต้องนอนมื้อคืนต้องนอนให้มากย่าไปอดหลับอดนอนมื้อเสวียต้องทํางานให้มากญาไปหลับไปนอนมื้อสวียคนคนอื่นหลับอื่นอนมื้อคืนแล้วจ้ มันทีเป็นปรสาทนอนบ่หลับขึ้นมาบ่ดีเด้ อ, อันนั้นมันทีทําให้เป็นโลขึ้นมาเลยเมื่อส่วนอยากนอนบ่นอนมันอยากนอนต้องลุกต้องย่างเนี่ยเป็นอะไรสั้นจัดนั้นจัดนี่มก็หายไปโลที่ผันวางสั่นที่เนี่ยพ่อาวายฟังนี่นบ่มีเรื่องมีอย่างจักน้อยเด้อเ่ยพ่อหัวจักตอนที่เนี่ยพ่อการมาสอนเสนอบุฟเฟ่ต์ที่เนี่าพ่อจีบบุหัจักเด้อนี่ยขันวาซีิมันก็ต้องวายได้น้อยหนึ่งเลยคนมีดีเอามาเวากับคนอวดดีมันต้องผิดกันจริอันนั้นอวดดีซื้อ ว่มีดีในโตเนี่ยที่มีประโยชน์เนี่ยคนมีดีเอามาเว้าวันนี่ยแม้เขามีดีเขาจะมาเว่า่ะคนมีแล้วเอามาสอนคนกระหู้เสนว่าคนว่ามีเอามาสอนกับซีพุนซีพีซีนน์ซีนีนน์นน์นีนีไปสนอมากระหู้จักเป็นว่าอันนี้เป็นว่าคนโง่โฮมาสอนคนมาจิสลัดยังไงคนสลาดไปสอนคนโง่จะมันบวสลัดเมื่อนี้มือ่นกัสลาดขึ้นมาเสนาเขาต้องหู้จักพระพุทธเจ้าสอนแล้ว อย่าเบียดเบียนตนเฮาอย่าเบียดเบียนผู้อื่นเหมืนว่าทำเราใดเป็นไปผู้ความเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นนั้นไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยไม่เป็นคำสอนของเราตถาคตไม่ควรศึกษาและไม่ควรปฏิบัติเหมือนว่านะครับเดเบียดเบียนตนเองเนี่ยไม่หยั่งเลยหนึ่งเนั่งภาวนาพุทโธธรมโมพองยุปอนรกตาเน เจ็บแข้งเจ็บขาเจกกก็บแข้งนอปวดแข้งน้อปวดหลังปวดเอวนั่งทรมานตนอันนั้นพจ น, นเนอืนน้อเ บ, บียดเบียนตนเองอันนั้นนะบัานนี้ก็บโกดขึ้นมาบ้าเนี่ยคนมาว่าให้น่ะอันนี้ก็เบียดเบียนตนเองอันนั้นนะให้หูจักว่าเจ้าของเฮ็ดพิษพจนว่าเบียดเบียนตนเองอนนบุควรศึกษาและบุคคลปฏิบัติเขาก็ยังเฮ็ดอยู่ยพ่อก็เฮ็ดเรื่องมือนี่จีวารู้หรือเปล่าบ่ได้ตามันจักมือนก็ให้หลับเอาไว้เนี่ย มันบวชเบียนตนเองนเนาะชิคเทพเดงงอดมากัดมาต้อนเขาจีบวเห็นในย่างปากจะไปส่วนหลักส่วนต่อมังคเชบเสนาวนุ่งหลั ก, ต, ก, ลกตาบัด น, นี้มีของอยู่ในบ้านในเฮืองเขามารักออกกระมึดเสนว่าคนอื่นคนโง่อันนั้นอ่ะมาตอดมาจิสลายยังไงบัด น, นี้ทําเราใดเป็นไปเพื่อควาบวเบียนตนเองและ บ, บเวเบียนคนอื่นนั่นแหละเป็นธรรมนั่นแหละเป็นวินัยนั่นแหละเป็นคําสอนของพระพิจ้าวควรศึกษาและควรปฏิบัติตอนมันเจ็ดแค่เจ็ดผาของคนเตืี่ยนเสนาอือ แต่มันยากมือกับคุณมือเนื้อมันคิดบดีกับเซาเนว้อมันก็บบเบียยเดียนผู้ใดเนว้อนี่เพราะว่าควรศึกษาควรปฏิบัติอย่างนี้เพันวาอย่างสั้นอาที่ี่พ่อว่าให้ฟังเนี่ยฟังง่ายๆแต่ขันผู้บวชเข้าใจโอ้ยฟังบุมีบาลมบาลีบุมีศักดิ์มีแสงเอ้าพระพุทธเจ้าบทเสนอคนเมืองไทยคนอินเดียพูดนะมันปกาศว่าประเทศอินเดียพู่เนื้ตาในเขาเอิ้นอายเัยหายตาเนี่ยหูเนี่ยมันเอียบวกเนี่ยัง เอยอะมันเป็นบ้านหาว่าเนี่ยอายเอียโนดวัฒนทางมีหุ้นย่าพ่อก็จําได้เขียนได้เหียนเลยเพราะไปเพราะเด็กบางคลอังกฤษก็เหี้ยนย่าพ่อว่าให้ฟังถึงบทหนึ่งฟังขลับๆ่านคงเป็นคนเยอรมันเรียนปริญา 3, รญาเอกได้สามปริญญาเอกได้สามด็อกเตอร์มาถามอย่าพอ่อมีผ่านนี่มีจริงไหมวัฒนลาวานตายแล้ยังเอาหรือว่าัฒนแล้วกับชีวิต ของนักบวชกับซีวิตของพระนี่คือกันไหมว่าถึงเนี่ยสร้างฐานดวงสันโมเจ้าที่มีปัญญาฐานดวงสันเนี่ยจอยวับวมีปัญญาตัวหูเจ้าแท้ๆนะพวกคนไม่ได้เหยียบมาที่มีปัญญาจังเลยทำมาแลหลายอาจารย์เนะ่ยโอ้วะนี่พานการตายแล้วก็รทีตายเดือนนี้นี่แต่ะวะ่ามันมันตายแล้อย่างเอาได้ในพ่านนะคือคนบุกทุกข์กันเด้นี่พานมันต้องมีอยู่แล้วอ๋ อ, อแล้วซีวิตของพระกับซีวิตของนักบวชคือกันนหะไม่ใชคือกันในอย่างนักบวชกับพระ ภาคกาแฟผู้สอนคนผู้บมีโชคผู้จังหากอันนักบวชแล้บวชแล้วกระสิกเสียได้กระบ้วดอันนี้วาซื้ออันนี้บางคนบวมีเขากินบวมมีเหงือนนอนทุกยากปากหมอมก็จําเป็นก็ไปอาศัยบวชเลี้ยงชีวิตสนว้ยเขาเบิ่งบออกได้ไหมยังกันนะ่ะที่เบิ่งบ อ, อกกันยังกันเหตุมือกับเรื่องเดีิมภาสาทุกาษาทุกเลยวะเน็ตไม่เป็นไรแล้วเขาบูให้จากคนมดเนื้อหมดหนังอันนั้นคนมดทางไปแล้วได้นััน เขาต้องหู้จักการันทร์คนคนมีตาคิพยไม่ได้บาปคนนั้นคนนี้ได้เน่ยพาะกับมือเนื้อมหนังกันนั่นและเราเฉพาะกับเพื่นลุงตาในบาวุเพาะหักบุงานสาได้เนยเพาะจีบไ้นหูมุงเจไว้ให้กินเขากับเมื่อกี่นเขาอไปกินมอื่นก็ได้คอยเาซื้อนี้แล้วหักกินมรนเพาะกินมรนมีแพกด็กเอาเพาะกินเขาแล้เนี่ยเพราะว่าจะเป็นโยมพ้นมเฉพาะมึงกินเขาเลเนี่ยไปบ้านบนเด็เจ้าอยากให้กินเขาจ้าเป็นอันเสร็จเงินพ่อจันหัวเนี่ยไปกินเขาบ่อยๆเนี่ยมุ้งไม กินข้ากินเนี่ยผัเข้าให้กินโลดเนี่ยพอบหัวจเป็นภางางเนี่ยพอกินโลดเนี่ยพอเป็นทางกสั่งนีใส่เนี่ยพอกินมดพี่น้องคเดอเออกินจนดอยากก็อยากกินริงคำมือฟางคภาษาีกินแล้วขาเจาดีใจขาบอกจริขาเจอสังเป็นทางารคว่าข้าพายนะอันนี้โบมีเดเป็นทางกเนี่ยพอเนี่ยพ่อมีแม่รงกับคุณอัญชลีวาให้ฟังเรื่องเลยก็มีขาเจวายฟัง ม่นวงวายฝั่งผ้าไปบินทบาทเนยเมื่อเช้านี้โบไปบินธบาทไปบินทบาทได้เข้ามากินแล้วคนนี้ตอนคนกําลังจีบแต่งงานทางงานได้ไปบินธบาทเงินเข้าไปบ้านไปเอาบาดไปตั้งเงิอให้ใส่บาดเงินโบให้ใส่บาดเขานี่ยมีเนี่ยุณเทพุ่นสามื่อท่นไปบ้านในวงในวงเสียเงินที่ห้าร้อยสนญนวา่าบ้านคุณอัศดีกับสามือ่อเมื่อถ้ามีท่านพ่อพู้พพพแม่ให้ค น, นเอาห้าร้อยบนหัวได้เงินไปพันห้าหุ้นลุ้นนี่เนี่ยพ่อผู้แม่กับ เราให้คนลพันบาทได้เงินสบาทมเามื่อรุนที่ไปเอามืนงที่ไปถ่ายออบหาเดด้ไปหาตารวจพู่นะไม่เป็นอะเ น, นีย่ยพอไปเอิ้นนเะนี่ยเรียกเขาปกตดบ้างกเจ้าคนนี้เอาตบแมงเสบ้ไขเอาแล้วบเนี่ยอ้าวใ น, ใ น, ในบ้มาใครตูเอายังงวะดึกระดิ่งเรืวเวองไม้ขนใสมาผา อ, อาเ่าแล้วโบไครตูเอาแล้วบเนี่ยอ้าวมันมีธุระได้เนียว ่ S <S <an> คุณอัญชลีเด้อแปบโอ้ยอย่าพอใครประตูเอา ป, เป็่นยังบุมาปุ้นมาจี้อย่างดอกกันเียเนี่ยเ่ไม่เป็นอะไรกันก็ไปหว้ฝังเรารวาให้ฝัง่ไขประตูเอาได้เดียวเนี่ยในกรุงเทพแบบยาเห็ดยาเห็ดหมูขาเจ้าอะโม่จะเอาเป็นหองพอหลวงพูดตรงตานี่ฮะเข้าใจาจริงจริงเน้ะพานมเมยน้อยคือกันจะไปเห็ดตางนันเน้ยดินถ้าบาทเงินมันบุแม่เนเนผิดเด้อือพาบรจะผลด่าไปแล้วเด้เมื่อเ้าี่ก็วให้ฟังเนี่ยวาตื้อมื่อนี้ก็ได้เนี่นวันภิกสุราบุญ่องภิกษุ ภิกษุไปผู้เห็นไัยเลยยัดไปขอเงินข อ, นขอทองไปบินท บ, บาทกินซื้อเนี่ยภิกษุลามกสันดานนกกามาที่เหินอะไรท่นลูกนอกคอผู้ยนตนอกบันซีป้าซาผีดิด น, น้ำติกะลาลางเทาแม่แทขนของเล้าท่านภิกษุแกบคนแวกแนวโมฆะบุบรุษไซบอได้ท่านนะ่ะมหาโจรที่เลวรยที่สุดในโลกนี่นี่เป็นว่าอันนักบวชที่เป็นมหโจนนะี่น่ะ มหาชนยังไดมีปืนเนี่ยบอแมนมื่อกี้มีปืนมีผ้าเนี่ยบาทนั่นแหลวเป็นปืนนะ่ะพอดีไปคว้าือน้าออกมาเป น, านปุ้นหยาปุ้นโยมแล้วบัดเนี่ยหยาโยมออกเขาให้นี่แหะเป็นมหาโจรที่หลุที่สุดในโลกว่าฉันปุ้นข้าเจ้าดาบหมกในจีวอนว่าฉันบนเป็นดาบแท้ๆนะโตบาทนั่นแหละเป็นดาบไส้บนเป็นบังคีบาทมือเฮาคันไส้เป็นเนะ้่บนเป็นอย่างให้เข้าใ จ, จสังนๆเนาดาบหมกในจีวอนนะจะเป็นว่าเฮายาติเป็นอยงนั้น พยายามศึกษาปฏิบัติโตเขามาบวชเรียนเขียนอ่านแล้วให้เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าให้ซืบศาสน า, า, าดำรงวงศสกุลของพระพุทธเจ้าให้มันอยู่ในอ้อเพราะออกก็คือกันให้ศึกษาตัวเราพากันทำพากันพูดพากันเฮ็ดสอนลูกสอนหลานเป็นผู้ดำรงวงศุลทำให้พุทธศาสนาเจริญมั่นคงต่อไปเป็นว่าอย่างสั้น พุทธศาสนานี้จะเจริญงอกงามก็ต้องอาศัยบริ ส, สัทธ์ซีคือหนึ่งภิกษุสองภิกษุณีสาบอุบาสกสี่อุบาสิกาเพป็นวานพวกนี้ประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยอยู่นั้นศาสนาก็จะเลิ่อนเพื่อเป็นวานบัดนี้พุทธศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นจะอันตรทานหายไปกัมีบริ ส, สัทธ์ซีนี่หนึ่งภิกษุบุประพฤติตามพระธรรมวินยัยเ ส, สองภิกษุณีบุประพฤติตามพระธรรมวินยัย สามอุบาสกบวชปฏิพฤติตามพระธรรมวินยัยสี่อุปสิกขาบวชปฏิพฤติตามพระธรรมวินยัยประจิบหายหลดแน่เรื่องนี้เนี่ยอนายพ่ อ, พอบโบได้ว่าบริษัทสี่บริษัทสองอ๋อบริษัทสองนี้เข้าใจบวมนึ่งผู้ชายกับผู้หญิงเท่านั้นเจ้าหัวกับผู้ชายแบบ น, นี้ภิกษุนิกกับผู้หญิงแบบ น, นี้แน่ก็มีแต่สองคนนี้เท่านั้นหวะจีบ 4, 5, 6, กกสี่ห้าหกเบี่ยกระดกกรเดี้ยวาว่าหมันฉันฟัน้เป็นปยั้น คันว่าเปนบรรพุกับตำห น, น้าเอ้าตํานานที่จะมากินมิหยังนะมันเป็นแกะเป็นฝางอยู่พูนนะเอาว่าจริงๆเนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยสองคนเนี่ยปฏิบัติแบบเพศหญิงกับเพศชายวาจันก็ได้เนี่ยคันประพฤติดีปฏิบัติสอบอยู่แล้วก็มันก็จเจริญช น, นะที่มีเรื่องนี้อย่งเพิ่นว่าพระธรรมที่ไหนของเราแต่ฐาคตมีอยุถึงหักมีอุบาสกอุบาสิกาหรือภิกษุภิกษุณีประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมที่ไหนอยู่มักผลนี่ผ่านที่บว่างจากลกนี้เนี่ย แล้วมันดีนี้จะถาดบุงดูวยผู้ใดผู้จักในภาโยสไสก็มีแต่ตายแล้วก็ยังเอาแต่เนื้อเนี่ยแมันบวมแน่นนด้นั่นผิดนี้นั่นว่าปฏิบัติตามคําสอนของคนล้นั่นเขาก็ควรเข้าใจเส้นขันเรื่องคนเขาไม่ใชคนตายเฟืองอ่ะอันนี้มันคนตายเฟืองมาจิ้มหุจักเป็นยังคนเป็นมาพาดจ้ะคนเป็นมาพาลงจิตบนไม่ยิกข้ามบนมันตายเลยมาจิ้มหัเมืองอย่างบ่แล้วก็เมื่อมันตายแล้วคนตาบ่อก็คือกันนั่นแล้วเอาไปจี้จะไม่เอาไฟไปจี้จะ่ปจี้เห็นหงบอกคนแบบนั่นเดีหูดี๋ยวมีีืน่ใะ พิสูพิสูนีอุบาสกวิสิกาดูโดยชอบถ้าอาหารหันต์ก็จะจวางจากโลกนี้ไปเนีย่ยดูโดยชอบอยู่จะไหนก็นังน่งคือเขานังน่งอยู่นี้เนี่ยเห็ุจังว่าหวะเดินจนกลุ่มได้มาคิดปุ๊กเห็นปั๊บเนี่ยพระอรหันต์ขึ้นมาแล้วได้แบบนี้เนี่ยพะาาระอรหันต์เห็นใจเขาคิดนีด่ได้พะาาระอรหันต์เรื่อเห็นธรรมอันนี้แต่เพื่อนว่าวันม่อกี้ไปเห็นผููนั้นภูนีมียังว่าความเก่าเนี่ยให้มูเจ้าฝังให้มูเจ้าจันทร์อย่าขามอย่าขาด ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติปฏิบัติทันที่สุดแล้วมันจะเป็ี่ยนทนายมันจะขโดดข้ามเหวก็ได้หรือคลายหงาเขาจิตโบดกบไม้ก็ได้พอดีเขาจี้โดดมันจี้ขั้นใจปุ๊บมันจีฟิลไฟฟ้ามันจีขาดเลือดมันจีกลับขืนมัดเลือดมันจี้โบลายเสื้อเขาขันได้มันเป็นอะไรอันนั้นแหละมันจิเข้าสู่สภาพของมันร่างกายลูกเขาจะมันจีเข้าสู่สภาพของมันจิตใจมันก็จะเข้าสู่สภาพของมัน เพิ่นลาจังทันทซืนเนี่ยเขาชี้ตายอะชี้ไปทางทันนี่น่ะทุกคนยกเป็นบด้เรื่องนี้นี่แหละทางไปหาพระพุทธเจ้าอ่ะแต่เขาเห็นพระพุทธเจ้าสก้ดี๋ยวนี้เนี่ยเขายืนอยู่พระพุทธเจ้าสก้อนไปกับพระพุทธเจ้าสก้อมันอย่างไรคันเขาบ่เห็นเพิ่นแบบเนี่ยชี้ไปหาเพิ่นมาชี้เห็นชี้หัจักบอกเอาสมมติให้หม่เจ้าฝังอย่างนายหลวงเนี่เขาบ่เคยเห็นเขาเห็นยุ่เห็นเพิ่นแต่งเครื่องแบบวันนี้เพิ่นนุ่งกางเกงมอหนิมานี่เขาชี้หัจักบอก นุ่งเสื้อดำบนดินมาเนี่ยบูฮู้จักได้จิตบูฮู้จักในหลวงได้เนี่ยขันพ้นแก่เครื่องแบบใจเย็ฮูจักโรถได้เนี่ยอันเขาอยากเห็นพระพุทธเจ้าก็คือกันนั้นแหละถห้เขาเห็นเมื่อใจเดียดนี้เนี่ยพระจิตนุ่งเครื่องแบบมาได้ในกาฮู้จักรถแต่นว่าสมมุติเอายันในหลวงเขาอยู่นนมสูมือเนี่ยว่าจิตนุ่งผ้าก็ได้มาเขาก็จําได้โลภบาทอันนี้ก็คือการนิพพานเนี่ยมันจะเป็นรูปแบบของก็จําได้พอมบาทเห็นรถนี่แหละนิพพานมันสอดแบบในร้ายนี่เออใจเดียวก็ได้โลดที่นี่พอไว้ฟังเอาละ เห็นวัดสมควรเนะี่ที่อาตมาได้พูดธรรมะให้ฟังมาวันนี้ก็เห็นวัดสมควรเกิเวลาแล้วท้ายที่สุดนี้อาตมาพร้อมด้วยพระ ส, สงฆ์และญาติโยมมานั่งฟังธรรมะอยู่หน้าสถานที่นี้อาตมาขออ้างอินอาคุณของพระพุทธเจ้าและพระธรรมคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุเจ้าและคุณของพระนตาสาวกพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเตือนจิตสกิจใจของพวกเราให้พวกเราได้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงที่พระพุทธสอนเอาไว้นั้นให้เราได้พบได้เห็นเอาในชีวิต หรือในขณะมูเจ้านังอยู่นี้ถ้าหากว่าเห็นในขณะนั่งนี้มูขาเจ้ากําลังกินลุกขึ้นเหมือนนี้ให้ไปประสบเอาถ้าหากว่าประสบเอาในขณะมูเจ้าลุกขึ้นไปนี้มูจะไปเดินจมกลมให้จังหวะเอาให้พบให้เห็นเอาในชีวิตนี้หรือเวลาอัานไกลนี้จงทุกๆกคนเถิดอย่าสู้นอนหลับทับติดในบทอินทานี้ขันว่าให้ฟังโกเข้าใจจากเรื่องจิตแท้ให้ประจบมนโลกผู้นี้ห น, นีตอบไปเอา